ช่วงนี้เป็นเถ ร, วนะเรวะวัคนะเถระวัคะวัคนีแ่แปลว่าหมวดเทระก็คือเรื่องของพระเทระทั้งหลายที่มีพรรษาเกินสิบส่วนใหญ่แต่พระเทระเหล่านี้เป็นพระผู้ใหญ่องค์สำคัญสำคัญในสมัยพุทธกาลทั้งนั้นเลยครั้งที่แล้วเขมะกะพระเขมะกะมันนี้พระชนะบ้างนะพระชนะชนะสูตรหน้าสองรเก้าสิบ้านะ พระชนะนี้เราคงนึกออกนะเพราะว่าเป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าของเราน่ะสหาชาติคือผู้ที่เกิดพร้อมกันหรือคลอดในวันเดียวกันเลยมีอยู่เจ็ดท่านด้วยกันสมนั่นแหละตอนแรกพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยหนึ่งที่สองก็คือพระ อ, อนนท์นั่นแหละที่สามก็คือชนะอมตเขาเป็นอมตเป็นอมตผู้ใหญ่มากเลยนะ แล้วก็ที่อีกท่านหนึ่งก็คือท่านกาลุทายีอัมมาต์พานางยโสธราพิมพามากันธกะต้นพระศรีมหาโพลแล้วก็ขมทรัพนีน่หมายค่ะว่าบังเกิดในวันเดียวกันเลยพระชนะนั้นถือว่าเป็นสำนวนทั่วไปใช้คําว่าเพื่อนเล่นเลยเนะก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วพอระยะหนึ่งก็เป็นอัมมาตที่รับราชการเป็นคนใกล้ชิด ใกล้ชิดพระโพธิสัตว์ที่สุดเลยไปที่ไหนไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันซะส่วนใหญ่เนี่ยนะพออย่างในที่อยู่ของพระโพธิสัตว์อยู่ปกติแล้วแทบไม่มีผู้ชายเลยเนี่ยจะมีที่เข้านอกออกในได้บ้างก็คือเนี่ยพระชนะคนนี้นี่ยส่วนกาลุทายีอมมาตเนี่ยนะชื่อพระกาลุทายีเนี่ยท่านตำแหน่งท่านเป็น อัมมาที่สำเร็จราชกิจเนี่ยนะคือเป็นอัมมาที่ทํางานแทนพระเจ้าสุดโทธนะเป็นใหญ่เป็นหลักเลยนะเป็นอัมมาที่บริหารบ้านเมืองส่วนการุสอ่ะส่วนชันห น, น้าอัมมาทีนี้เขาก็เป็นเพื่อนเป็นว่าไปไหนก็เนี่ยพระโพธิสัตว์จะเรียกชันหน้าอัมมาที่นี้ไปเนี่ยนะเช่นขับรถไปเที่ยวไปชมสวนไปอะไรเนี่ยก็มีคนเนี้ยเป็นคนใกล้ชิดท่า น, นหลังจากที่ พระโพธิสัตว์ของเราออกบวชนะนะวันที่ออกบวชก็ฉันนะอมาดนั่นแหละเป็นคนพาออกบวช ด, ด้วยเนี่ยนะที่จับปลายหางม้าวิ่งตามเนี่ยนะเขาแรงเขาแรงมากนะเขามีพระกําลังเป็นคนแข็งแรงมากอนะยกม้าสบายสบายแบนั้นเถอะความสามารถเขาสูงขนาดนั้นก็ตั้งใจอยากจะบวชพร้อมกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ให้บวชเนี่ยนะให้กลับไปก่อนตอนหลังท่านก็บวช ทีนี้พอบวชแล้วท่านมีมานะมากไม่ค่อยฟังทมไม่ค่อยสนใจทำมาอะไรเท่าไหร่เนยท่านถือว่าคนอื่นๆ น, นี่มาหลังท่านหมดเลยเพราะท่านนี้มาพร้อมกับพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งกต่วันออกบวชเลยคนอื่นนี่มาหลังหมดพระสารีบุตรพระโมกขาลานะมาหลังหมดเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เคารพใครเนยจะไม่ฟังใครเทศท่านก็ไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังด้วย พระพุทธเจ้าให้ไปคบหาสมาคมกับพระสารีบุตรให้ฟังธรรมท่านก็ไม่ค่อยสนใจนะด้วยอำนาจของมาณเนะี่ยแล้วใครสอนท่านก็ไม่ได้นี่นะเขาจะมีเขาบอกว่าท่านไม่ต้องสอนผมผมก็ไม่ต้องยุ่งกับท่านอันนี้เป็นถือว่าเป็นคติประจำใจของพระฉ น, นะน่นะไม่ต้องว่ากล่าวซึ่งกันและกันไม่ต้องนนะท่านก็จะใช้ชีวิตของท่านทีนี้เวลา ใครว่ากล่าวตักเตือนอะ่ะเขาก็จะว่าท่านเป็นใครผมเนี่ยเป็นใครผมนี่ออกบทพร้อมกับพระพุทธเจ้านะก็จะไออันนี้ยเป็นคําอ้างพระพุทธเจ้าก็แนะนําก็ไม่แนะนําไปก็ท่านก็ก็รับฟังอ่ะนะก็ไม่เถียงละ่ะแต่ว่าไม่ทําตามนั่นะนะพระองค์ก็ตลอดระยะเวลาที่พระองค์มีพระชนอยู่นี่ก็ท่านไม่ได้ดีอะไรเลยสักอย่างนั่นะนะก็มีแต่มานะเนี่ยพอก่อนจะดับขันปรินิพานพระพุทธเจ้าสั่ง นะคําสั่งก็มีหลายคําอ่ะนะคำหนึ่งก็คือบอกว่าให้ลงพรมมทันกับพระฉันนะ่นะพิสุคาว่าลงพรมมทันนี่เป็นยังไงบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ต้องว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดด้วยเนี่ยนะนี่เรียกว่าพรมมาทันมางั้นเถอะโอ้โหทันของพรมเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าไปแกงอะไรที่ไหนหรอกจเจริญอุเบกขาคือใครมาคุยด้วยก็ไม่ต้องพูดด้วยเพราะฉะนั้นปล่อยเลย ปล่อยตามใจเขาเลยอยากให้เขาทำอะไรนี่ทาไปเลยว่างั้นพระชนะนี่พอหลังจากพระ อ, องค์ดับขันปรินิพานเนี่ยพระอนุ์ไปบอกว่าตอนนี้ท่านถูกลงพรหมทันแล้วนะพรหมทันเป็นยังไงก็บอกว่าท่านไม่มีคนว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยนะท่านก็เหมือนกับว่าไม่ต้องคบหาสมาคมกับใคระอะทุกอย่างเรื่องของท่านหมดพระชนะนี่พอฟังแล้วสลบเลยเป็นลมเลย ว่า โ, โหนี่ถือว่าร้ายแรงที่สุดเนี่ยนะบอกว่าทุกคนห้ามคบคนนี้หรือคนนี้ห้ามคบกับคนอื่นหมดเลยเนะี่ยโหเป็นคนที่มีพักมีพวกมีเพื่อนเยอะๆไปที่ไหนคนเขาพูดด้วยทักด้วยนะตอนนี้เงียบหมดงั้นท่านก็จากวัดหนึ่งไปสู่วัดหนึ่งก็ไม่มีใครอยากพูดด้วยท่านก็ไปเรื่อยๆจนไปถึงโน่นอ่ะไปอยู่ในป่าอิสิปตนมรุทขายาวันเนี่ยนะรอนแรมไปหลายวัดด้วยกันไม่ค่อยมีเพื่อนละชีวิตก็เงาห้อยเต็มที่แล้ะ นี่พออยู่ในป่ายสิปตนามรุกทายวันนี่ก็อยากจะปฏิบัติแล้วคันนี้นะอยากจะเจริญกรรมฐานอยากจะปฏิบัติธรรมกับเขาบ้าง น, นะนี่ก็คือตั้งจิตไว้ดีละเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระภิกษุผู้เทระหลายรูปอยู่ณป่ายสิปตนามรุกทายวันกรุงพารณาณสีครั้งนั้นท่านพระฉันนะออกจากที่เร้นในเวลาเย็ น, นนะถือลูกดานเข้าไปสู่วิหารนันะ ได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าขอท่านพระเทระทั้งหลายจงกล่าวสอนผมด้วยขอพระเทระออขอพระเทระทั้งหลายจงพร่ำสอนผมด้วยขอท่านพระเทระทั้งหลายจงแสดงธรรมมีกทถาแก่ผมด้วยตามที่ผมจะพึงเห็นธรรมะได้เราไปขอเลยนะเหมือนกับไปขอกรรมฐ า, านเลยตอนนี้ช่วยสม ท, ทีเถอะทำยังไงให้ผมรู้ธรรมะได้เห็นธรรมะได้อะ ให้ท่านพร่มสอนเปิดโอกาสให้หมดเลยเมื่อพระชันนะกล่าวอย่างนี้แล้วพิสุผู้เทระทั้งหลายก็ได้กล่าวกับพระชนะว่าดูก่อนท่านชนะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา นะซึ่งไม่มีคําว่าทุกข์อยู่ในนี้เลยนะบอกแต่อานิจจังกับอนัตตานะก็มีคําถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมไม่บอกทุกขลักษณะนะบอกแต่อานิจจังกับอนัตตาทําไมไม่บอกเป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าภิกษุเหล่านั้นท่านได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายบัญญัติทุกขลักษณะ ภิกษุชนะนี้จะพึงถือฟันเฟือไปว่ารูปเป็นทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นทุกมร ก, ก็เป็นทุกเนะนี่ยนะผลก็เป็นทุกดังนั้นท่านทั้งหลายชื่อว่าภิกษุผู้ตกทุกข์ด้วยเราทั้งหลายจักไม่ให้เธอเนี่ยเป็นโทษนะนะคือก็บอกเอ้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกมรเป็นทุกผลเป็นทุกบวกท่านทุกทั้งนั้นแหลนะน่นนะเพนะราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยตัดไอไอความคิดอันนั้นออกไปเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าสอนคนที่มีมา n a กล้านะจำนวนว่าพูดคำเขาก็เถียงมาคํำยังไงนะเพราะนั้นเวลาสอนนี่ก็ต้องระวังให้ดีให้มา ก, ก น, นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถืออาไปฟั่นเฟือแล้วเรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตเนี่นะมันก็จะให้แต่ทุกขลักษณะเออขออภัยอันนี้จะลักษณะกับอนัตตลักษณะยังไงคนว่ายากสอนยากนี่โหไม่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะยากที่จะแนะนํา ขนาดพระพุทธเจ้าลงพรห ม, มาธรรมเลยแหละทีนี้ท่านก็ไปเจริญท่านก็ไปเจริญตามรูปเวทไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เทียเท่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาก็ไปเจริญนะนะทีนี้พอเจริญไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเราก็ไม่เลื่อมใส คือพระชนะเนี่ยพอไปเจริญก็จิตก็ไม่เลื่อมใสปกติเขาเจริญวิปั ส, สนาทั้งหลายจิตเขาจะผ่องใสแต่นี้จิตของท่านไม่เป็นอย่างนั้นไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในธรรมะเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาวิราคะนิโรธะหรือพระนิพพานเนี่ยจิตไม่น้อมไปเพื่อพระนิพพานอะไรเลยเนะพอคิดอย่างนี้ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ย พอไข่ครควนไปมากๆเข้ามากๆเข้ า, า, า, า, าจิตก็ไม่น้อมไปเพื่อธรรมะสงบระงับดับทุกข์ไม่น้อมจิตไปเพื่อพระนิพพานความสะดุ้งกลัวเนี่ยนะสะดุ้งอันนี้คําว่าสะดุ้งในที่นี้ไม่ใช่สะดุ้งด้วยอํานาจตันหาทิฐิเนี่ยนะปริตตัสสะเนี่ยสะดุ้งด้วยอํานาจทิฐิขึ้นและก็สะดุ้งด้วยอํานาจอุปาทานเกิดขึ้นใจก็ถอยกลับอย่างนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรเล่าเป็นอัตตาของเรา นนะคือพอพอไปเจริญบอกเอ๊ะขันห้ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาพอคิดแต่อย่างนี้เข้าอา้าวแล้วอะไรมันเป็นอัตตาลคะครนี้ทุกเลยครับนี้เดือดร้อนนะสะดุ้งเลยนะหายอัตตาไปเอ๊ะแล้วมันอะไรมันเป็นอัตตากันแน่นะห่วงมากใช่ไหมสมมุตินะครับคิดคิดไปนะ น, นั่งแบบพูดแบบคนธรรมดาแบบ ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยนะนั่นก็ไม่ใช่ของเราคนนั้นอันนั่นก็ไม่ใช่อันนั่นก็ไม่ใช่ตัวของเราแล้วไม่ใช่ตัวของเราด้วยเอ๊ะแล้วมันอะไรกันเขาเนี่ยนะสะดุ้งเลยนะตกใจเลยเอ๊ะยังไงกันแนะ่บอกว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะโดยที่ไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะแทนที่จะกลับจิตพอ่องใสเลื่อมไสไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ทีนี้ท่านรู้ตัวเนี่ยนะไอความที่ท่านสะดุ้ง หรือความยึดถือห่วงอัตตาเนี่ยนะรู้เลยว่าความคิดเห็นอย่างนี้ไม่มีแก่ผู้ที่เห็นสัจธรรมสี่เนี่ยนะคนที่รู้อริยาศาสต ร, ร์สี่เขาไม่คิดอย่างนี้หรอกว่างั้นใครเนาะจะแสดงธรรมะแก่เราโดยที่เราจะเพึ่งเห็นธรรมะได้ อัน น, นเคยมีไหมของพวกเราทั้งหลายไปเจริญในะรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตานะแต่พูดแบบไทยๆเรานะ่ะก็รูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราเอ๊ะแล้วมันอาจจะเป็นเราบ้างเนี่ยนนะ่ตกใจเลยนะเราหายไปหมดเลยอะ่ะเสียดายแย่เลยนะไม่เหลือเราอยู่เลยะนะเสียใจไหมถ้าไม่เหลือเราอยู่เลยคุณบุญชูอะ น, น, นคนโน้นก็เรียกชื่อหมดไม่เรียกชื่อเราอยู่คนเดียวอคนะ่้น น่าจะดีนะดีแล้วมีเขาแต่ตกใจกลัวเลยทำไมไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยนะเพราะอะไรอะไรมันเป็นอนัตตาไปหมดแล้วเราเป็นยังไงคะนี้เราไปอยู่ที่ไหนอันนี้นะนะสรุปทบทวนว่าทำไมพระช น, นะจึงเป็นแบบนี้ท่านบอกว่า บทว่าปัจจุทาวตติมานะั่งอัธโกเจระหิเมอั ต, ตาความว่าใจของผมหมุนกลับอย่างนี้ว่าถ้าขันห้ามีรูปเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีขันเดียวที่เป็นอัตตาไซาก็แล้วอะไรเล่าเป็นอัตตาของเราได้ยินว่าพระเถระนี้เริ่มเจริญวิปัสสนาโดยไม่กำหนดปัจจัยเลยอะไรขึ้นมาก็พรวดก็ขันไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาไม่เที่ยงหมดเลย อะนะไปยังไงมายังไงเหตุปัจจัยอะไรไม่ไม่รู้สักอย่างอะนะขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นไม่เที่ยงเป็นอนาตาไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารทั้งหลายปรากฏโดยความเป็นของว่างเปล่าจึงกลับเป็นตัจัยให้เกิดอุดเฉททิฐิขึ้นและความสะดุ้งสะดุ้งเ้วยอำนาทิฐิว่าเราจะขาดศูนย์เราจากพินาศเนีย่ยนะก็เลยและท่านก็เห็นอัตตาเนี่ยเหมือนตกลงไปในเหวจึงกล่าวว่าความสะดุ้งและอุปาทานจึงเกิดขึ้น นะใจก็เลยมุนกลับอย่างนี้ก็เลยคิดว่าแล้วอะไรมันเป็นอัตตาของเราวย่างนั้นของเราคงไม่มีใครเป็นอย่างนั้นนะไปเจริญนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนาตตาให้เราแลเราเป็นอะไรกันเนี่ยังห่วงเราเอง ก, กันนะเอเราก็ความคิดอีกชนิดหนึ่งนะเป็นวิญญาณรักขันนะตัวที่ไปคิดห่วงนะนั่นก็โดยมากก็เป็นทิฏฐิหรือเป็นดันหานะก็เป็นสังขารรักขัอีกชนิดหนึ่ง ลำดับนั้นเองท่านพระชนะได้มีความคิดว่าท่านพระอนนท์นี้อยู่ณนะโคสิตารามกรุงโกสัมพีท่านพระอน น, น์ผู้ซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและทรงยกย่องแล้วย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นบินยูและสามารถจะแสดงธรรมแก่เราโดยที่เราจะพึงเห็นธรรมะได้อันนึ่งเราก็มีความคุ้นเคยในท่านพระอน น, น์อยู่มากอยางนั้นเลยเราควรเข้าไปหาท่านพระอน น, น์นนะ ลำดับนั้นท่านพระช น, นะก็เก็บอาสนะแล้วถือบาดและจีวรเข้าไปหาท่านพระนนถึงที่อยู่นาโคสิตารามกรุงโกสัมพีได้ปราศัยกับท่านพระนนถ์ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็เล่าเท่าความทั้งหมดที่อยู่ปลายสิปัตนาเมรุกทายาวันไปขอกรรมฐานกับพระเทระพระเทระให้กรรมฐานมาว่า ขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นอนัตตาเนี่ยนะพอมาเจริญเข้าจิตมันก็ไม่น้อมไปเพื่อพระนิพพานอะไรกลับได้แต่สะดุ้งกลัวว่าเอ๊ะแล้วเมื่อขันห้ามันเป็นอนัตตาแล้วแล้วอตตามไปอยู่ไหนละครั้งนี้พะะนันจิตก็เลยไม่เลื่อมใสเพราันก็เลยมาคิดถึงท่านเพราะฉะนั้นขอท่านท่านอนจงกล่าวสอนผมด้วยขอท่านท่านอนจงพร่ำสอนผมด้วยขอท่านท่า น, นจงแสดงธรรมมีกถาแก่ผมด้วย ตามที่ผมจะพึงเห็นธรรมะได้เนี่นะก็มาขอากันมาทานอย่างนั้นเถะท่านพระนนกล่าวว่าแม้ด้วยเหตุเท่านี้ผมก็ดีใจด้วยท่านพระชนะอ่ะ น, นะนนเนี่ยดีใจเลยนะแบบหมดพะยศเลยนะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอ่ะนะเมื่อก่อนนี่มีแต่สำนวนไทยบอกว่าพยองเหลือเกินมาครั้งนี้เนะี่ยแบบอ่อนน้อมมากอย่างนั้นทั้งได้รำพึงกันมาแต่แรกแล้วนะคือเรื่องนี้เขาคุยกันมาไว้แล้วอนยะ่างนั้น ท่านพระชนะได้กระทำข้อนั้นให้แจ่มแจ้งแล้วทำลายความดื้อดึงได้แล้วท่านพระชนะท่านจงนี้โสดลงฟังท่านเป็นผู้สมควรจะรู้ธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้งนะนี่านนย้าอีกคำหนึ่งบอกท่านรู้ธรรมะได่า ง, งั้นเถอะลำดับนั้นความปีติและความปราโมทย์อย่างโอฬารจะบังเกิดมีแก่ท่านพระชนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าเราเป็นผู้สมควรจะรู้ธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งถ้าคนอื่นพูดว่าคุณจะบรรลุเนี่ยนะแหมก็ฟังแล้วก็อาจจะธรรมดานะแต่นี่พระอานนทะ์ซึ่งพระอนนท์ตอนนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้ว น, นะพระอนนท์เป็นผู้พูดเนี่ยแล้วบอกว่าท่านเนี่ยสามารถบรรลุได้นะสามารถที่จะเห็นธรรมะได้เขาฟังปีติปรามโมตูดีใจมากเลยนะ <c oughs> ท่านพระฉันนะผมได้สดับคํานี้มาเฉพาะพระพัก รับมาแล้วเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสสั่งสอนภิกษุกัจจานะโคดอยู่ว่าอย่า น, นีดูก่อนกัจจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีกับความไม่มีอย่า น, นีโดยมากนะโลกโลกหมายถึงสัตวะโลกทั่วไปเนี่ยนะสัตว์โลกนี่คิดอยู่สองอย่างเนี่ยว่าเรามีกับเราไม่มีถ้าเรามีนี่หมายถึง อันนั้นสตตะทิฏฐินั่นเองอันนัคือหมายเขาว่ายังมั่นคงยังถาวนตายแล้วเกิดยังไม่ไม่มีจบไม่มีสิ้นเนี่ยนะไอที่ลักษณะของศาสตะแล้วก็เราเนี่ยไม่มีนั น, นะก็อยู่บนทิฏฐิสองอย่างเนี่ยเรามีกับเราไม่มีคือจำนวนไทยง่ายๆว่าตายแล้วเกิดกับตายแล้วศูนเนี่ยนะถึงคนที่ที่พูดว่าตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิหมดใช่ไหม คนที่รู้ว่าเออตายแล้วเกิดอีกแน่แต่โดยมากอะ่ะคนที่คิดแบบนี้อยู่บนพื้นฐานของสัจจะทิฏฐิเป็นหลักเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยรู้อะไรเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นถึงรู้ว่าตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้แปลว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเสมอไปเนี่ยนะคือคือรู้แต่ว่ามันเกิดอีกแต่ไม่ได้รู้ว่าเหตุปัจจัยใดหนอทําให้ไป ปฏิสนธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยไม่ไม่รู้เลยเนะอย่างลัที่นอกศาสนาทั่วๆไปนะละทัทธิเทวนิยมนี่ถือว่าตายแล้วเกิดอีกใช่แต่จะเกิดเป็นอะไรอีกเครื่องหนึง่งนเะแต่ถือว่าตายแล้วเกิดแต่ไม่ได้ยอมรับว่ากรรมเป็นตัวนําเกิดเนะก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดใหม่ก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นมีผู้บันดาลเป็นต้นเบรรษันะ์โลกโดยมากก็คีดอยู่สองอย่างเท่านี้แหละ คือตายแล้วเกิดอีกกัตายแล้วศูนย์เหมือนกันน่ยก็เมื่อบุคคลเห็นเหตุเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอยู่ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอยู่ความมีในโลกย่อมไม่มีนะโดยโลกนี้มักพัวพันด้วยอุบายและเหตุเครื่องถือเหตุเครื่องถือมั่นและความยึดมั่น น, นปกตินะั้โลกเป็นอย่างนี้จริงๆยง น, นก็พอสรุปได้คร่าวๆคำว่าโลกสำนวนเหล่านี้มันเป็นสำนวนแบบโบราณหน่อยนะซึ่งเข้าหมายถึงที่เรียกว่าคนสัตว์นี่แหละ่คนสัตว์เนี่ยสรุปว่า ตาแล้วมีอีกหรือไม่มีอีกเหมืกันเถอะก็จะมีคําถามอยู่คิดอยู่เท่านี้อยู่บนหลักการอันนี้ก่อนอันน่ะถ้ามีอีกถา้อกถาอันนี้เรียกโลกนะอัตติตากับนัตติตาอัตติตาก็คือมีนัตติตาก็ไม่มี มีไม่มีแบบมีแบบนี้ไม่มีใครสงสัยใช่ไหมก็มันเห็นเห็นกันอยู่แล้วอะ่ะแต่เขาโดยมากก็จะคิดเรื่องโลกหน้าชาติหน้าต่อไปมันมีหรือมันไม่มีเนี่ยนะโลกโลกอันนี้หมายถึงอีกศัพท์หนึ่งว่าอัตตาและโลกเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คืออัตตานั่นเองเอยู่บนสรุปว่าทิฏฐิ ตัวนี้จริงๆอ่ะคือทิฏฐิทิฏฐิทีททท่สำคัญโดยว่าเป็นอัตตาว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นว่าตายแล้วอ่ะมีอีกหรือไม่มีก็จะอยู่บนทิฏฐิสองอย่างนี้อีกเส่วนไอ้พวกที่มีก็จะแบ่งกลมไปอีกใช่ไหมมีรูปกับไม่มีรูปไอ้กลมนี้มันตายแล้วศูนย์ชีวิตแค่เชิงตะกรจบกันอ่านะกลุ่มนี้ซะ ที่จะมีรายละเอียดโดยมากก็คือพวกอัตตาเนี่ยนะก็ทิฏฐิจะมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยพวกกลุ่มนะัตตาก็คือโดยมากนะพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์ทำยังไงชีวิตมันจะได้ยืดมากที่สุดเท่าที่จะยืดได้ยืดได้วันเดียวก็ถือว่าวิเศษสุดแล้วเนี่ยนะ ก, ก็มีอยู่สองอย่างอ่าจะละอัตตาทิตาเนี่ยละได้ยังไงเนี่ยนะท่านบอกว่าเห็นความเกิด ละอัิตาเนี่ยเออละนัติตาถ้าหากว่าเห็นความดับละอะไรละอัิตาแยากสองคำนะความเกิดกับความดับเห็นตัวความเกิดกับความดับความเกิดก็มาจากสมุทยังค่าหรือสมุทัยนั่นแหละเนี่ย ความดับก็คืออัดถังคำะนี่นะถามว่าที่เกิดนี่เพราะเพราะอะไรจึงเกิดนี่นะทำไมจึงเกิดโลกอันนี้ทำไมจึงเกิดขึ้นก็เพราะปัจจัยคืออวิชชาตันหากรรมอะไร ถ้าเป็นรูปก็อาหารถ้าเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นผัสสะถ้าเป็นวิญญาณก็คือนามรูปใช่ไหมมันก็เกิดเพราะปัจจัยนั่นเองเมื่อรับรู้ปัจจัยที่ทําให้ให้ที่เรียกว่าคนหรือสัตว์หรือที่เรียกว่าอัตตาเกิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นขันห้าเหล่านี้ก็เกิดขึ้น น, นะเป็นอีกสำนวนหนึ่งะนะจริงๆอ่ะคำว่าคนสัตว์ หรืออัตตาจริงๆก็คืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะจริงๆแล้วคือตัวขันห้าถามว่าทำไมในสูตรนี้พระนลท่านยกขึ้นมาว่าโลกโดยมากเป็นอัติตากับนัติตาเพราะเพราะว่าพระชนะรู้อยู่แล้วว่าขันห้าใช่ไหมคือปกติท่านไปคิดเรื่องขันห้าอยู่แล้วว่ารูป ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเนี่ยนะท่านก็ฟังแล้วท่านจึงไม่ต้องมามาขยายว่าแต่ท่านมาขยายเป็นว่าเพราะไอคันห้าพวกนั้นเนี่ยถ้ารู้ความเกิดรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดมันละนัติตานะมันละไอความคิดว่าศูนย์ถ้าหากว่ารู้ความดับถ้ารู้ปัจจัยที่ทาให้ถึงความดับ อุปาทานขันห้าอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยทำให้ละไออัติตานี่นะเนบบใครไม่เข้าใจบ้างที่เหลือแสดงเข้าใจหมดพังเงียบหมดเงียบนี่มันเข้าใจยากเหมือนกันนะรักษาทีท่าไว้นะมันพระองค์จจง มีหลายสูตรบอกบุคคลไม่ได้เป็นบัณฑิตเพราะนิ่งเสมอไปแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ฉลาดเพราะพูดมากานั่นแหละสรุปใครใครใครไม่เข้าใจบ้างยกมือขึ้นหน่อยก็ใจ ย, ยกเลยนะแต่ว่าไม่กล้า ย, ยกนานยกพอเห็นก็ใช่ได้แล้วเนาะ คือโดยปกติพื้นฐานทั่วๆไปของสัตว์โลกนะไม่เคยแยกแยะชีวิตเลยว่าจริงๆแล้วที่เราเรียกว่าคนว่าสัตว์จริงๆอ่ะคืออุปาทานขันท่าใช่หความประชุมแห่งขันท่าความประชุมแห่งอายตนะเป็นความประชุมแห่งธาตุความประชุมแห่งขันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยน ะ, ะจริงๆแล้วค้นหาโดยความเป็นสัตว์ไม่มีรอกเนี่ยนะ เมื่อความเป็นคนเป็นสัตว์จริงๆอ่ะโดยประมัติแท้จริงไม่มีอยู่จึงไม่ต้องไปถามว่าสัตว์เนี่ยเที่ยงหรือศูนย์ใช่ไมเลยไม่ต้องไปถามว่าสัตว์เนี่ยเที่ยงหรือศูนย์เพราะโดยความเป็นจริงแล้วสัตว์ไม่มีเนี่ยนะทีนี้ถามแล้วจะละสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงก็ต้องมาสืสพษา ว, ว่าอุปาทานขันห้าที่เป็นไปเหล่านี้เนี่ยนะเกิดจาก ปัจจัยนะปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดก็คือตันหาอาวิชากรรมเป็นต้นนั่นเองทีนี้ถ้าจะดับอุปาทานขันห้าเหล่านี้ก็ต้องดับที่ที่ปัจจัยเนี่ยนะดับอวิชาดับตันหาและดับก ร, รมเพนาะนั้นก็จะละทิฏฐิทั้งสองประการนี้ได้ด้วยการรู้เหตุเกิดและรู้ความดับพูดง่ายๆในหนึ่งว่าถ้ารู้สมุทยังฆะละสัสตตละอุเฉท ท, ทิฏฐ ถ้ารู้อัฏฐานคมะและสัสตทิฏฐิจนมากโดนมากคนทั่วไปก็กมักจะมักจะมักจะไม่ค่อยไม่ไม่เข้าใจว่าดับไม่ใช่เข้าใจครับว่าดับสัสตทิฏฐิได้ส่วนใหญ่ใช่คือคนทั่ ว, วไปเนี่ยนะก็รู้ดับแต่รู้ดับแบบ อุดเช็ดก็ อ, อ, อย่างที่วันก่อนยอมเขาเล่าว่าคนไข้เป็นอุดเช็ประมาณแปดสบเอร์เซนี์เลยไงก็ถือว่าตายแล้วศูนย์ใช่ไหมเพราะนั้นก็แสดงว่ากลุ่มเนี่ยคือกลุ่มนัตถิตาทั้งหลายแหละนะโลกนี้มีอยู่สองอย่างคือพวกเที่ยงกับพวกศูนย์เยนะก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละ ทีนี้ไอ้ ท, ที่ที่เที่ยงหรือที่ศูนย์เนี่ยอยู่บนพื้นฐานเขาไม่เคยแยกแยะเลยว่าอะไรเที่ยงอะไรอะไรศูนย์เขาไม่เคยวิเคราะห์เลยใช่ไหมไม่เคยแยกวันนี้รูปนะวันนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณเนี่ยนะก็ก็สำคัญรวมไปหมดว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราเป็นคนเป็นสัตว์ไปเลยนะโดยที่ไม่ได้แยกแยะอะไรเลยนะ